ตอนในหลวงของเราวันที่สี่ธันวาคม 2,559 กหาราบก้าบนมรส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัลยมิตรทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะก็มีบางท่านเพิ่งมาถึงนะพระครูก็ขอแจ้งกิจกรรมพรุ่งนี้นะซึ่งเราเข้าค่ายเที่ยวนี้ก็เป็นเพราะวันพรุ่งนี้คือวันห้าธันวา ก็เวลาตีสองครึง่งนะตีสองสามสิบาทนะีท่านที่ไปอุปสมบทเป็นภิกษุแล้วก็บรรพชาเป็นสา ม, มเณรภิกษุ9ก้ารูปสา ม, มเณรห้านะให้พบกันที่ตรงลงอาหารนะตรงเวลานะก็ล่อหมุนตีสองครึง่ง แล้วก็ผู้ที่นำพาไปนั้นก็ให้ท่านบวชให้สา ม, มเณรก่อนนะแล้วให้ใครส่งกลับมาศูนย์มาพักผ่อนก่อนเพราะหลวงพ่อท่านท่านไม่เคยบวช ก, กลุ่มใหญ่ๆนะท่านบอกว่าต้องแยกเป็นสามสามสามก็ต้องต้องทำพิธีสามครั้งก็ต้องใช้เวลาผสมขวนให้เนนมาพักผ่อนพอตอนเช้า6กโมงครึ่งต้องบินทบาทนะ ก็แจ้งทราบว่าคนที่จะไปใส่บาตรทำบุญใส่บาตรในพรุ่งนี้น่ะนะหกโมงครึ่งตรงฐานพระใหญ่นะจำนวนพระภิกษุยี่สิบอดรูกสามเณรสิบหกคุณแม่ชีหกสิบสองรวมแล้วเก้าสิบเก้านะสวยมากนะ พระภิกษุก็บวชเก้ารูปนะแล้วก็รวมทั้งหมดเก้าสิบเก้า็อันนี้คือหลังจากบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ไปฉันเช้ากันแปดโมงครึ่งพิธีขี่ผมปลงผมนะนะแล้วก็ปลงผมแล้วก็ทำพิธีบวชคุณเมจีไปบวช อยู่ที่ศาลาข้างล่างนะส่วนท่านจะบวชถือศีลหน้าถิ่นแปดนะก็จะปงผมพร้พอมกันนะส่วนจดเข้าพิธีถ้าถือศีลแปดก็เข้าไปรับศีลเฉยไม่ต้องภาวนาตัวบวชนะแต่ถ้าถางพระครูนะไหนๆก็ไหน ๆ, หนๆแล้วไปคิดตัวเองนะโอกาสอย่างนี้มีน้อยไม่ใช่มีน้อยหรอกคือไม่มีอีกต่อไป ห้าทันวาทีก็เป็นห้าทันวาสุดท้ายในประวัติศาสตร์ไทยนะปีต่อไปก็เฉพาะ ป, ปีนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนไม่ใช่วันเฉลิมประชชนพันษานะเขาเรียกว่า <c oughs> วันคล้ายวันสมสมภพนะแต่ปีหน้านี่ก็ไม่มีอีกแล้วเรารลึก ถ, ถึงในหลวงราชการที่เก้าเรา ก็น่าจะเปลี่ยนเป็นวันที่13ตุลาคมนะก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยทดแทนบุญคุณพ่อหลวงเรานะแล้วก็ตอนบ่ายโมงนะอันนี้เริ่มจากคณะครูที่โรงเรียนทุกปีเนี่ยนะเขาจะแลงแสดงความกตัญญูกตเวทิตากราบขอขมาพ่อครู เนื่องในวันพ่อนะแล้วก็ร่วมกับญาติธรรมใครสนใจมาก็บ่ายโมงบ่ายสองโมงก็ปฏิบัติจิตในจิตเป็นปกติแล้วก็ 18.15 โนหนกโมงสห้าะปกติเราทำวัดที่นี่คืนพรุ่งนี้เราจะย้ายไปทำที่ฐานพระใหญ่นะแล้วก็สวดพุทธมนต์ถวายในหลวงเราด้วยแล้วก็มีพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชทชการที่เก้าแล้วก็รวมพลังปล่อยโคมลอยส่งดวงพระวิญญาณของพระองค์เสร็จสู่สวรรคาไาลนะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรยืดยยืดเยื้อนะสองทุ่มก็กลับมาศาลานี้ก็ปฏิบัตินานาจิตตังอีกชั่วโมงหนึ่งก่อนจะไปพักผ่อนอันนี้ก็แจ้งให้ทราบสำหรับพรุ่งนี้ ทีนี้ก็มีสิ่งที่ต้องแจ้งนะโดยเฉพาะเรามีเด็กๆนะไม่ชีนักเรียนประถมมัธยมก็ต้องฟังอันนี้จะเป็นข้อสอบเฉพาะหน้าเลยนะจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะวันที่หนึ่งธันวาสองพาหที่ผ่านมาประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีประธานศาลฎีกานะ ประธานองคมนตรีได้เข้าเฝ้าทูลอันเชิญพระบรมโอสาที่ลาดส่งขึ้นของลาดสืบพระราชสันติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชะกาลที่สิบนะอันนี้ต้ตองใส่ใจนะอีกร้อยปีข้างหน้าลูกหลานเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะมันจะเป็นประวัติศาสตร์ทีนี้ศูนย์นี้ก็ทำห้องนี้ขึ้นมาทันทีนะเป็นศูนย์รวม พระราชดำรัสนะแล้วก็ศูนย์รวมพระฉายาลักษณ์ของพระองค์แล้วเราจะมีให้ไปไปวาดวาดพระฉายาลักษณ์วาดอย่างอื่นไม่ได้นะเราจะมีสแตนอะไรอะไรไปไปไ ป, ไปวาดนะอันนี้เพราะลูกหลานเราต้องเรียนเรื่องนี้ต่อไปเราหนีไม่พ้นนะทีนี้สมพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรบดินทะเเทพพยะวาลางกูลนะเรามีในหลวงองค์ใหม่แล้วเราก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะอันนี้คือสิ่งสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลานี้เหมือนกันนะแล้วก็วันที่หนึ่งที่สองธันวาคมที่ผ่านมานะได้มีพิธีเ็าเรียกว่าปัญญาสมวานห้าสิบวันนะคือ ในหลวงราชการที่9เราเนี่ยสิ้นพระชนครบห0สิบวันทีนี้ทางรัฐบาลก็ประกาศนะข้าราชการนะพ่อกูไม่ได้เข้าใจว่าบวกสตีด้วยไหมส่วนมากเราคุ้นเคยว่าให้ลาบวชได้9วันโดยโดยเป็นบันทำงานนะก็ไปบวช9้าวันนะแล้วก็ถ้าครบ ปัญญาสมวันร้อยวันอีกก็ทุกคนมีสิทธิ์ลาอีกเก้าวันนะก็ได้ยินว่าพี่นิสันไปลางานมาบวชเนาะ เ, เขียนบอกว่าบวชเพื่อถวายในหลวงเนี่ยเจ้านายก็พูดเล่นหรือพูดจริงไม่รู้บอกในวงเล็บครั้งสุดท้ายนะพู้ เ, เที่ยวก่อนก็ไปลาบวชอีกใช่ไหมไม่เป็นไรนะครบร้อยวันก็มีสิทธิ์ลาบวชอีกนะไม่มีใครกล้าหืรอเนาะ อันนี้เป็นสิทธิของเรานะอันนี้ก็พิสูจน์ว่ามีคนถามว่าทำไมลักในหลวงก็ต้องปป่งผมนะไม่ต้องไปถกกันในะเรื่องแบบนี้ใครพร้อมก็ทำกันไม่พร้อมก็ไม่ต้องทำไม่ใช่เรื่องจะไปถกกันว่าพูดกันไปพูดกันมากลายเป็นมากเรื่องนะเอาเป็นว่าเนี่ยรัฐบาลเขาเลยบอกว่าให้สิทธิลาไปบวชเลยป่ง ผ, ผมนะถ้าไปบวชแล้วไม่ต้องโปง่งผมได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องปง่งผมนะ ก็คนเราพ้อไม่ไม่เท่ากันนะแต่สำหรับพ่อครูแล้วพ่อคูบอกว่ามันเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่ฉลาดใช้โอกาสอย่างนี้เนี่ยมาสร้างอริยทรัพย์ให้เราแล้วเนี่ยใช้คําว่าน่าเสียดายมันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดนะมันเป็นเรื่องของความกระตันยูรู้คุณนะความกรตันยูเนี่ยคือสัญลักษณ์ของคนดีนะถ้าพลาดโอกาสนี้แล้วไปคิดย้อนหลังอะไรเนี่ยมัน มันไม่มีสาระอะไรมันผ่านไปแล้วนะคนส่วนมากเนี่ยไปคุ้นเคยกับไปท่องประวัติศาสตร์คนอื่นไปท่องจำท่องจาไม่เคยกล้าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองเลยเนี่ยเที่ยว น, นี้เราทำปุ๊บจิตบันทึกประวัติศาสตร์แล้วว่าเราทำอะไรลงไปคนอื่นไม่รู้ช่างเขาอันนี้เป็นอริยทรัพย์นะนะความกตัญญูรู้คุนคนไม่ใช่พูดแต่วาจาเออ ออพูดพูดพูดแต่ไ ม, ไม่เวลาทำไม่กล้าทำอะไรเลยเนี่ยอันนั้นไม่มีสาระอะไรนะส่วน5ธันวาคม2559คือพรุ่งนี้จากเคยเป็นวันเฉลิมพระชนม์พระพันศาเปลี่ยนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9 ต่อไปวันดำลึกของพระองค์อาจจะเป็นวันที่ส3บสามตุลาคมในปีต่อไปนะพวกเราชาวศูนย์นะสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมมนมหาภูมิพลอดุลยเดชถึงจัดเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเป็นเวลาเกวันจากวันที่สมถึงวันที่11ธันวาคม2559เพื่อถวายเป็นพระราชกูศล ในขนาดเดียวกันก็ปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นของราชในราชการที่สิบไปพร้อมพร้อมกันนะพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยนะในหลวงราชการที่เก้าของเราพระองค์ทรงเป็นพระมหาราชซึ่งไม่ต้องไปต่อสู้ลบลาฆ่าฟันใคร แต่พระ อ, องค์ทรงเป็นมหาราชอยู่ในดวงใจของปวงประชาทุกคนอันนี้เป็นคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียและเ ข, เขากล่าวต่อไปว่าในโลกนี้เขาไม่เคยยอมแพ้ใครนะแต่เขายอมแพ้ King of Thailand เขายอมแพ้คนเดียวคือพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยเขาไมา่ได้เล่นลิ้นนะเขาพูดความจริง นะก็บังเอิญพวกกูก็ได้คลิปเขาปินมาอย่างเงี้ยนะนะก็อั น, นี้อยู่ใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Standard c h a r t อร์ไท i แ a น d เนี่ยนะเข <dal. S 1> าเขียนว่ายังไงผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกนะเขาไม่ได้เขียนอะไรมากทีนี้เขาก็มีรูปรูปหนึ่งเขาเขียนว่า พ่อรักธรรมชาติอีกรูปหนึ่งพ่อรักงานอีกรูปหนึ่งพ่อรักกีฬาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกอีกรูปหนึ่งนะอีกรูปหนึ่งพ่อรักพี่น้องและพ่อพ่อรักพวกเรา พ่อรักการสร้างสรรค์พ่อรักลูกพ่อรักปู่ย่าพ่อรักสัตว์พ่อรักดนตรีพ่อรักแม่ซึ่งพ่อคูเห็นแล้วพวกคูเห็นด้วยนะเพราะว่าชีวิตพวกกูเกิดมาก็เห็นในหลวงองค์ปัจจุบันเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงดำเนิน ตลอดชีวิตไม่มีอะไรที่บกพร่องทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะซึ่งวันแรกวันที่13านั้นนะตุลาที่พระองค์สินบุชนพระกูว่าได้เป่งออกมาเนี่ยนะในหลวงราชการที่เก้าแล้วเนี่ยนะถ้าในทางจิตวิญญาณพระองค์เป็นพระซึ่งเป็นอริยะเจ้าโดยแท้คือพระโพธิสัตว์ถ้าพระอดจิตพระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ทาอย่างนี้ไม่ได้ตลอดพระชนบรรา 70ปีที่คลองลาชนะไม่มีใครในโลกนี้ทำได้นะก็เคยเล่าไปแล้วว่าสหประชาชาติเคยถวายรางวัลสูงสุดซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์71ปีที่ผ่านมาเพราะสหประชาชาติเตั้งขึ้นมา71ปีในหลวงคองลาชเจิปีมีผู้เดียวที่ได้แปงวัลตรงนี้สหประชาชาติคือ สูงสุดคือการพัฒนามนุษย์อันนี้เป็นรางวัลไม่ต้องไปรับที่โน้นเขาเอามาถวายที่นี่แล้วก็เนื่องจากพระองค์เนี่ยวิจัยเรื่องดินดินเปรี้ยวดินเค็มดินแห้งนะพี่นาวิจัยเรื่องน้ำน้ำแรงน้ำท่วมน้ำอะไรลงไปแก้ปัญหาให้สปาาชาตเขาเลยเอาวันที่ห้าธันวาเนี้ย ตั้งเป็นวันดินโลกเห็น ไ, ไหมแล้วก็สองอาทิตย์ก่อนเขาก็ส่งตัวแทนมาดูวิจัยพรพะอช่างเขาจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่เ้าเขาให้นักศึกษาวาดแล้วก็เลือกเอาภาพที่ดีที่สุดนะที่สมบูรณ์ที่สุดส5ห้าภาพสาพระชาติก็มาคัดเลือกไปซื้อขอซื้อ 9ภาพแล้วก็นำกลับไปที่ New York, นะนิวยอร์กนะพรุ่งนี้เขาก็เอา9ก้าภาพนี้ไปจัดแสดงที่สัมปชัชชาติสำนักงานใหญ่ที่นิวยอร์กนะแล้วเขามีกรรมการจะเลือกให้เหลือสองภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยสถิตไว้ในสำนักงานสัมปชัชาติมันพิสูจน์อะไรนะเรามีพ่อหลวงที่ยิ่งใหญ่ เนะพราะครูไม่อยากเปรียบเทียบเพียงแต่ว่าจะชี้ให้ดูว่าถ้ารุ่นรุ่นพ่อครูเนี่ยทุกคนเรียนรู้เรื่องมหาตมาคารทีนะเป็นรัฐบุรุษของประเทศอินเดียนะมหาธรมาคารทีนี่เป็นนักเรียนนอกจบปริญญาโทมาจากอังกฤษนะแต่เขามาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสมร t แล้วเขามาต่อสู้ขับไล่ผู้บุกลุกคือประเทศอังกฤษเนี่ยนะเพราะอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เขาก็มาต่อสู้โดยอดข้าวอดน้ำแบบอหิงสานะไม่ใช่ท่านคนเดียวหรอกแล้วก็หลายๆคนร่วมกันสุดท้ายอังกฤษเขาก็ถอนกลับไปนะคืนอิสรภาพให้ประเทศอินเดียนะเขาถึงกลายเป็นรัฐบุรุษโลกคนหนึ่งแต่ไม่กี่วันผ่านไปก็ถูกคนอินเดียฆ่าตายเพราะความคิดต่างทางด้านศาสนา เความยิ่งใหญ่ของเขาคือเขาเสียสละชีพเพื่อแผ่นดินเขานั่นแหละแต่พอพูดถึงมาเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ทาของในหลวงเราเนี่ยอันนี้วัดกันไม่ได้เลยนะและสิ่งที่ในหลวงเราเนี่ยพระ อ, องค์ทรงทรงทามาเจ็ดสิปีเนี่ยนะไม่ใช่จะแก้ปัญหาคนไทยเท่านั้นเองเป็นคำตอบคือแก้ปัญหามนุษยชาติทั้งโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง นะยิ่งใหญ่มากนะในฐานะที่เราเป็นคนไทยถ้าเราลัดแผ่นดินเนีเมื่อพระเจ้าแผ่นดินของเราพระเจ้าแห่งแผ่นดินนี้เนี่ยสิ้นพ่อชนเราในฐานะลูกหลานสมควรที่จะแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณไม่ใช่จะพูดเฉยๆนะแน่นอนเราทำความดีมันต้องแลกด้วยอะไรอย่างาเราทำบุญ เราเรียนหนังสือแทบแย่ออกไปทำงานเหงื่อไหลใครย้อยได้เงินมายังแบ่งเงินเนี่ยเอาไปทำบุญเห็นไเราต้องแลกด้วยการเสียอะไรไปบางอย่างนะโดยเฉพาะเรามาเข้าค่ายเราก็ต้องทิ้งส่วนว่าเก้าวันเนี่ยเราทิ้งเก้าวันที่เราต้องไปหาเงินเห็นหมมาปฏิบัติธรรมเพื่อถวายในหลวงเรา แล้วก็อีกขั้นหนึ่งเราปลงผมให้ท่านด้วยอันนี้นะได้หลายต่อธรรมะรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมผู้ที่มีคุณธรรมมีโดยเฉพาะกระตันยูรู้คุณแล้วเนี่ยเมื่อเรากล้าปลงผมแล้วเนี่ยเราสูญเสียผมไปนะแต่อริยทรัพย์เราได้มหาศาลเนี่ยเอา loss isogen ขาดทุนของเราคือกำไรในหลวงพูดอันนี้เห็นไม อาทิตย์ก่อนพ่อครูก็บอกลองดูนะก่อนจะปรุงผมไปชั่งกิโลก่อนล้วกี่กิโลอ่ะเราอาจจะหกสิบกิโลพอปรุงเสร็จไปชั่งปุ๊บอาจจะเหลืออยู่หสิบเราขาดทุนไปหนึ่งกิโลแล้วแต่เรากำไรความเบาเห็นไมเรากาไรความเบาแล้วไม่ต้องไปแบกมันนะจิตก็บันทึกไว้ว่าเราได้ปรุงผมได้ลดละเลิกกิเลสตัณหาอุปทานอันนี้เราได้อริยทรัพย์นะ อันนี้พ่อกูก็ชี้ให้ดูไม่ใช่บังคับไม่ใช่กดดันเพราะเป็นห่วงนะเพราะรักพวกเรานี่แหละถึงชี้ทางชี้ขุมทรัพย์ให้ส่วนใครจะมีกำลังทำได้แค่ไหนก็เป็นนานาจิตตังไม่ต้องไปคิดมากนะทำได้ก็รีบทำซะแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็วางซะนะอย่าแบกอารมณ์นี้กลับบ้านก็ ศัตรูของพระ อ, องค์เห็นไหมพระ อ, องค์เป็นมหาราชมหาราชสมัยก่อนต้องไปลบลาฆ่าฟันไปยึดเมืองเขาเป็นเมืองขึ้นทุกคนสยบปุ๊บเรียกว่ามหาราชแต่ในหลวงราชการที่เก้าเราเนี่ยพระ อ, องค์เป็นมหาราชซึ่งไม่ต้องไปต่อสู้กับใครตอนนี้ทั่วโลกยอมรับเห็นไหมศัตรูของพระ อ, องค์มีอย่างเดียวนะก็คือความยากจนของประศนิกร พระองค์จึงทุ่มเททุกวิถีทางมีเรื่องอะไรบ้างที่ในหลวงไม่ไปไม่เข้าไปยุ่งไม่มีไม่มีมมนะพระองค์มีลูกหลายคนลูกคนนี้อยู่ภาคเหนือคนนี้ภาคอีสานคนนี้ภาคใต้คนนี้นะลกูกแต่ละคนเจอปัญหาไม่เหมือนกันพระองค์ลงไปนะไปค้นหาที่มาของปัญหา มันจึงมีคำานึ่งที่พระองค์เป่องออกมาเนี่ยคำนี้พ่อกูชอบมากๆคนะข้าราชการการหลายคนก็อ้างมาพูดเรื่อยแต่เข้าไม่ถึงศัจธรรมที่พระองค์พูดนะเข้าถึงเข้าใจแล้วก็พัฒนานะต้องเข้าถึงก่อนแล้วเราเข้าใจที่มาของปัญหานะทีนี้มันก็มาตรงกับทางสายพุทธที่บอกว่า ต้องประจักษ์ก่อนประจักษ์คือรู้แจ้งก่อนเห็นหมเมื่อเรารู้แจ้งต้นเหตุที่มาของความทุกข์เห็นเราก็มาประจักษ์ล้วก็ประยุกแล้วก็ประยุกยใช้วิชาการต่างๆเครื่องมือต่างๆนำไปพัฒนาก็คือนำไปไปประพืชเห็นไต้องประจักษ์แล้วก็ประยุกแล้วก็ปฏิบัติหรือไปประพตช ในหลวงเป่งออกมาเนี่ยเป็นคุณธรรมทั้งหมดแต่พระองค์ใช้ภาษาแบบสมัยใหม่นะหน่วยงานก็ พ, พูดพูดพูดแต่ไม่เข้าใจปัชญาตรงนั้นนะทำไปอย่างนั้นแหละทำไปเพื่อให้มันเสร็จนะไม่ไปคุกขี่นะคุกขี่จนมันรู้แจ้งอ๋อรู้แล้วต้นเหตุปัญหาเขาจนเพราะอะไรนะพวกครูรู้แจ้งนะ พวกครูอยู่ที่นี่ยี่สิตอนนี้ปี28แล้วล่ะพวกครูรู้ว่าว่าชาวบ้านแถวนี้เขาจนเพราะอะไรนะเขาจนอยู่ดีๆแต่นักวิชาการมาสอนให้เขายากจนเข้าใจหรือเปล่าจนมันดียังไงจนดีนะถ้าเขาจนเป็นเน่ยดีกว่ารวยรวยไม่เป็นนะเขาจนอยู่ดีๆเขาไม่มีเงินเลยนะแต่เขาอิสระมาก จะตื่นกี่โมงจะทําอะไระลงไปในน้ําในเขื่อนนี่ก็ เ, เอาปลาขึ้นมาเข้าไปในป่าก็เอาเห็ดเอาหน่อไม้เมื่อต้องมีเงินเลยเนี่ยเขาก็มีความสุขเห็นไหมเขาลักลูกเมียเขาเห็นหน้ากันทุกวันเขาจนอยู่ดีๆแต่นักวิชาการหวังดีประสงค์ลายเฮ้ยมันไม่จเจริญเติบโตมาสอนเขานูน่นมานี่ไปไปกู้หนี้ยืมสินมามาปุ๊บเขาก็เจงหมดตอนนี้เขากลายเป็นยากจนแล้ว ตอนนี้ยากแล้วเพราะอะไรเขามาทวงหนี้นอนไม่หลับถูกยึดพื้นที่ไปหมดเนี่ยเขาจนอยู่ดีๆของเขามาสอนให้เขายากจนเพราะหน่วยงานที่มาช่วยเขาเนี่ยมันมาเชิญย้ายมาปุ๊บเชิญเอาผลงานหนีไอ้คนอื่นมาปุ๊บเอานโยบ า, ายใหมา่คนจนเป็นแค่เหยื่อเป็นแค่หนูลองยานะ เราไม่ประจับเราไม่รู้แจ้งเพราะเราไม่ใส่ใจเราไม่มีเมตตาธรรมแต่ในหลวงของของเราเนี่ยพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณไม่แค่เมตตานะเห็นเด็กคนหนึ่งล้มลงไปหัวแตกสงสารมันนะเมตตาแต่ไม่ใช่เรื่องฉันก็เดินหนีไม่กรุณาแต่ในหลวงของเราไม่ใช่พระองค์ลงไปคุกคีไปบุกป่าไปลุโคนไปสัมผัส ความจริงพระ อ, องค์ก็ไปเห็นความจริงไปประจักษ์เห็นไหมเข้าถึงไปเข้าใจต้นเหตุของปัญหาพระ อ, องค์จึงพัฒนาทุกโครงการดีหมดแต่พอทำไปปุ๊บคนที่ดำเนินต่อเนี่ยอยู่ที่สำนึกแล้วตอนนี้พระครูไม่อยากไปก้าวล่วงต้องใช้คำว่าน่าเสียดายไม่มีเรื่องไหนที่พระ อ, องค์ไม่ไม่เข้าไปยุ่งนะเจสิบปีที่พระ อ, องค์ขึ้นรองราดเนี่ย ทรงดำเนินพระราชกรยกิจดองใ้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหาของชาติในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการเกษตรการสาธารณาสุขการาศาสนาการเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติปัชญาในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงคือคำตอบของมวลมนุษยชาติทุกๆเวลาที่พระองค์ทรงมีพระโอกาส ทรงให้โอวาทและพระราชดำรัสต่างๆเพื่อเป็นการเตือนสติชี้ทางเดินที่ถูกต้องให้ประเทศชาติบ้านเมืองเดินไปในทางที่มั่นคงปลอดภัยช่วงที่พกูอยู่อเมริกาก็ช่างปีหนึ่งอย่างน้นนอยๆสองครั้งนะพะกูติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะห้าธันวาแต่พระองค์จะทรง ดำดัดวันที่สี่ธันวาทุกปีพราะครูรู้เลยว่าตอนนี้บ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์ต้องมาทําโดยตรงนะพระองค์อยู่เหนือสิ่งินใดพระองค์ไม่ต้องทําอะไรก็ได้หน้าที่การบริหารบ้านเมืองคือนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีบางครั้งก็มาจากการเลือกตั้งบางครั้งก็มาจากปฏิวัติวิธียังไงก็ช่างก็คือว่าผู้บริหารก็คือนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่หน้าที่ของพ ร, พระเจ้าอยู่วโดยตรงมีพระองค์เดียวในโลกนี้เนื่องจากพระองค์ห่วงใยประเทศชาติของพระองค์ห่วงใยลูกหลานของพระองค์พระองค์ไม่ต้องทำก็ได้นะทมถ้าเรารู้ขนาดนี้เลยไม่มีสำนึกอยู่เนี่ยนะอันนี้ก็ตัวใครตัวมันเนา ะ, ะพวกกูก็ ก่อนจะขอยกตัวอย่างนะพระราชาดำหลัดถ้าได้พูดนะไม่พูดไม่หมดที่เขาร้องเพลงเนี่ยถูกแล้วนะถ้าเราจะมาพูดเรื่องพระราชกรกริจของในหลวงองค์ราชการที่เก้าเรานี่นะเจ็สิบปีที่ผ่านมาต้องใช้เวลาตลอดชาติยังพูดไม่หมดนะมีเวลามานั่งคุยกันเจ็สิบปีไหมนะไม่หมดนะแต่สักคู่หนึ่งพระผู้ขอยกตัวอย่างนะเข้าๆ ว, ว, ว่าพระองค์ ส่งแสดงชี้ทางอะไรให้เราบ้างก็แจ้งข่าวว่าวันที่3สาบเธันวาเนี่ย2559เนี่ยที่นี่เราจัดทุกปีอยู่แล้วว่าเราปฏิบัติธรรมข้ามปีนะแต่ปีนี้ทางบ้านเมืองเขาก็ขอให้ทุกจุดเนี่ยคือสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็มาปฏิบัตินะเหมือนเก่าพอถึงเวลาสองสามสี่ห้านะเวลาสองสามสี่ห้าก็คือ 23.45 นาฬิกาีนะ่บห้านาทีะปีนี้เราก็มาสวดมนต์กันจนถึงเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะเพื่อก็ทำเพื่อถวายในหลวงเราเช่นกันที่นี้ห้องนี้เขากำลังติดอะไรอยู่นะว่างๆก็เดินเข้าไปชมได้ก็อันแรกเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามวันที่พระองค์ขึ้นของราชนะมิชีปฐมมัธยมก็ต้องฟังนะลูกในศูนย์เหล่านี้ก็มีพรบรมฉายลักษณ์อยู่ในสวนนี้พราะกูก็สร้างขึ้นมาศนะูนย์รวมพระราชดำรัส ด, ด้านหลังก็เขียนว่าเราจะคองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้พระปฐมบรมราชอองค์การพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมพิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณ5พฤษภาคม2493นะอันนี้หลังจากขึ้นของราชสามปีนะเมื่อจัดพระราชาพิเสก วันนั้นอ่ะพระองค์ก็เป่งอันนี้ออกมาเป็นปีที่พ่อกูเพิ่งเกิดมาในโลกนี้แล้วพระองค์ทำไหมทำอย่างที่พระองค์ลั่นวาจาไหมเจ็สปีพิสูจน์มาแล้วว่าพระองค์ทำทุกอย่างนะไม่มีทิฏฐิอันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจาชาติของเหล่านี้ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดี ตามความศรัทธาที่เชื่อถือส่วนตัวข้าพเจ้าก็ดีเห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งมีคำสั่งสอนให้คนประพฤติเป็นคนดีทั้งเพียรพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเลื่อมใส ย, ยิ่งนักข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจาักได้อุปสมบทในพระศาสนาตามพระราชประเพณี สักเวลาหนึ่งซึ่งจักเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบุรุษพระกาลีตามคตินิยมอีกโสดหนึ่งด้วยและพระองค์ก็ได้กระทำแล้วพระองค์ได้อุปสมบทเป็นเวลาสิบห้าวันแค่สิบห้าวันของพระองค์พระองค์เรียนรู้อะไรเยอะมากและจ า, จากวันนั้นมาพราะองค์ก็เรียนรู้พระศาสนาจนถึงวันสุดท้ายและสิ่งที่พระองค์เป่งออกมาเนี่ย เป็นธรรมะทั้งหมดนะอันนี้ก็พระราชดำรัดนะวันที่18ตุลาคม2499นะก็พรุ่งนี้เราก็มีโอกาสได้อุปสมบทนะเดินตามรอยของพระ อ, องค์นะส่วนท่านอุปสมบทแล้วถือว่าเป็นพระผู้อวบุโสหรือเป็นรุ่นพี่ก็ต้อง ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างนะเวลาไหนควรจะทำอะไรก็เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนะต้องสำรวมระวังนะบางทีเราไม่ได้คิดอะไรนะ่ะแต่พฤติกรรมที่เราแสดงออกแล้วเนี่ยมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเดี๋ยวรุ่นน้องเขาเข้ามาก็คิดว่าเออการทำแบบนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้ก็นะเรารักในหลวงนะต้องดูในหลวงเป็นเป็นตัวอย่าง การใช้จ่ายเมื่อกี้เรื่องศาสนาเห็นไหมนะศาสนาพระองค์ก็ไปศึกษาจนประจักษ์นะการใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์ภูนสุ ข, ของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะเป็นผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยทั้งนี้โดยที่ประชาชนแต่ละคนเป็นส่วนประกอบของประเทศชาติฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศชาติก็ขึ้นอยู่ที่ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนพนลเมืองถ้าแต่ละคนทาการประหยัดและช่วยพดุงฐานะของตนเองแล้วก็เท่ากับได้มีส่วนช่วยส่งเสริมภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมข้าพเจ้า ขอฝากความคิดนี้ไว้เพื่อประกอบดำริของท่านทั้งหลายต่อไปด้วยเห็นไหมพระ อ, องค์นอบน้อมถ่อมตนมากอันนี้ชี้บอกนะไม่ใช่บังคับนะเอาไปพิจารณาเห็นไมพระ อ, องค์มายุ่งเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเลยสิ่งที่พระองค์ประพฤติสิ่งที่พออระพงพ อ, องค์ทําแล้วพระองค์ไม่ได้พูดเฉยๆนะพระคูก็ได้ยินข่าว ยาสีฟันพระองค์นี้ลี้จนไม่มีเนีบางทีก็ผ่าวออกมาเลยไม่ทิ้งว้างไม่ฟุ้งเฟือยถ้าเราทําตามพระองคนี้เมืองไทยนี่มั่นคงที่สุดในโลกคําว่ามั่นคงไม่ต้องมีเงินเยอะๆเหมือนเขานะมีเงินเยอะก็เป็นหนี้เยอะแล้วก็ใช้จ่ายเยอะมีขยะล้นบ้านล้นเมืองตอนนี้ทุนนิยมเนี่ยนะเราไม่ฟังในหลวงไงทีนี้ทุนนิยมบอกว่าเฮ้ยต้องไม่มีเงินแล้วเอาแจกเงินมาต้องใช้นะ ถ้าไม่ใช้แล้วของก็ขายไม่ได้ในทุนมันก็ไม่รวยขึ้นไงอันนี้เราถูกเขาหลอกทุกคนเป็นหนี้หมดเมื่อทุกคนเป็นหนี้หมดก็บ้านเมืองเป็นหนี้เพราะเราเป็นเจ้าของประเทศไงในหลวงทรงแสดงงนะอันนี้กระแสะพระราชา ด, ดำรัสเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยสองเมื่อห้าสิบเจ็ดปีที่แล้วถ้าทุกคนทาตามพระองค์เมืองไทยไม่เป็นแบบนี้นะ เราจะมั่นคงที่สุดในโลกคนโบราณ ก, ก็สอนเรานะประหยัดกินประหยัดใช้รู้จักเก็บออมเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยมาอันนี้เอาเงินอนาคตมาใชยไงเห็นไหมเพราะเราไม่ฟังพระองค์อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะพระองค์เป็นห่วงใไม่แม้กรข้ั่งการนำลงชีวิตของพวกเราทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบครอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาเหตุผลและความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาวอันนี้เป็นพระราชดำรัสาธันวา2529พระองค์เตือนเรามาตลอดเพราะเราถลำมไปวิ่งไปตามวัตถุนิยมตอนนี้เป็นทาตุเขาหมดแล้ว เออไม่ใช้เงินต้องใช้เงินถ้าไม่ใช้เงินบ้านเมืองไม่เจริญในทุนมันหลอกเราถ้าเราไม่ใช้เงินมันก็ขายของไม่ได้ไงพอเราเป็นหนี้ไม่มีเงินจ่ายหนี้ในทุนเขามาจ่ายแทนเราไห่ไม่ก็ถูกยึดพื้นที่ไปหมดไงมันไม่ได้มั่นคงนะเราถูกหลอกในหลวงก็เตือนเราเป็นช่วงๆแต่เราไม่เคยฟังนะ การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจจะจริงแล้วก็คนสมัยใหม่จึงเรียกว่าดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าได้มีสิทธิ์เนี่ยใช้สิทธินะแต่ว่าถ้าพูดตามจริงแล้วสิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าก็ไม่ควรจะมีด้วยเหตุว่า คนรุ่นเก่านี้เองที่ทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้คำพูดง่ายๆนะเตือนสติอย่าหลงตัวเองนะตอนนี้ชั้นเรียนชั้นสูงแล้วพ่อแม่อย่าพูดมากเข้าอินเทอร์เนต็ตก็ไม่เป็นนะไปดูถูกนะลืมว่าถ้าไม่มีพ่อแม่มีเราไหมในหลวงเนี่ยเรื่องนี้พระ อ, องค์ก็มาเตือนสตินะ โอยฉันมีความรู้มากเข้าอินเทอร์เน็ตท่องโลกได้เลยไม่มีไม้แต่หนึ่งความรู้เป็นของเราเลยเราเป็นแค่นักเรียนแบบไปก็อปปี้ความรู้ของคนอื่นนะแล้วไปหลงว่าตัวเองรู้คุยกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องอันนี้ในหลวงก็ทรงเตือน <Okay. S 1> ในการปฏิบัติงานนั้นย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องรีบแก้ไขอย่าทิ้งไว้ให้พอกพูน ล, ลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทางด้วยความร่วมมือปลองดองกันปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทาลายความเจริญและความสําเร็จของการงานพระมราโชวาด ส, สิบสามกรกฎาคม 2,533 ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญเพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแข่งใจและเอารัดเอาเปรียบกันนอกจากนั้นยังทำให้ได้รับ ความเชื่อถือไว้วางใจและความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่ายที่ถือมั่นในเหตุผลและความดีผู้มีความจริงใจจะทําการสิ่งใดก็มักสําเร็จได้โดยราบลื่นอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่สําคัญมากเนี่ยความจริงใจต่อผู้อื่นเราจริงใจกับเขาเราดีกับเขาเขาก็รักเราวันไหนเขามีโอกาสเพราะครูเคยพูดเรื่องนี้นะบางเอิญสมัยก่อนเราไปอเมริกาไปขุดทอง นะพรากูปีแรกไปหาทองมันอยู่ที่ไหนนะหลังจากศึกษาประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าเห็นแล้วนะในท้องตลาดมันเนี่เต็มไปหมดเลยคนอเมริกันเนี่ยใช้เงินไม่เก็บเงินนั่นแะหละทองเราจะทำยังไงให้ทองนี้มาเป็นของเรานะเพระว่าพกูไปเจอขุมทองจริงๆนะแต่มันทำงานคนเดียวไม่ได้นะเพราะเรื่องนี้เกระเหลือปุ๊บเนี่เขาฆ่าเราทิ้งเลยนะ ต้องมีอีกคนหนึ่งมาช่วยเราบังเองิญ พ, พวกกููมีเพื่อนสองคนไอคนนี้นี่สับปับเอาเปรียบคนอื่นแต่คนนี้ซื่อสัตย์มากถามว่าพวกกูจะชวนใครคิดเอาเองถ้าเราทำตัวสเสมอนตนอดีตลอดเวลาเนี่ยนะคนที่เขามีโอกาสเขาจะเป็นคนชวนเราเปิดโอกาสให้เราแต่ถ้าเราทำตัวเอาเปรียบเขาเรื่อยๆเนี่ยเขากล้าบอกเราไหมไม่อันนี้คือธรรมะที่พระองค์ก็ เตือนสติสำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองอันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้ามากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากแต่ทุกวันนี้ไปยังไงส่งข้ามประเทศฉันก็ผิดเธอก็ผิดตัดราคากันแข่งกันตายแล้วตอนนี้ตายแล้วทั้งโลกตายทั้งเป็นนะรอระเบิดพระองค์ทรงเห็นสัจธรรมจริง นะยังในชุมชนนี้ยังในศูนย์เราเนี่ยมันเป็นที่เนินเราปลูกข้าวไม่เหมาะสมนะพวกครูก็ขุดสระทั้งในไร่แหลมทองตร ง, ตรงนี้น่ะยสุดยี่สิบสระหน้าแรงไม่อยู่น้ำเลยเพราะมันเป็นภูเขานะน้ำเขือนอยู่ที่วันตอนที่มันลงปุ๊บมันก็ดูดดเอาน้ำใต้ดินออกไปหมดเราก็เก็บไม่อยู่ นะแต่ตอนนี้จะเริ่มฟื้นฟูเนี่ยด้วสูบน้ําออกเอาผ้ายางมาปูไว้อะไรเนี่ยแต่มันเป็นการต้นทุนนะจริงๆแล้วที่นี่ไม่ต้องทหารเขามาปรึกษาพ่อกูเขาจะมาจัดเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่พ่อกูไม่ใช่ว่าน้ำสามส่วนอะไรอะไรเนี่ยไม่ใช่สูตรตายตัวนะที่นี่เรามีเขื่อนซิลินทรที่สองแสนกว่าไร่นะแค่เอาน้ําขึ้นมาให้เกษตรกรแล้วเนี่ยที่นี่อย่าให้เขาไปขุดซาเสียเงินเปล่า เสียพื้นดินด้วยนะอันนี้เขาก็ได้ได้ยิงข้อมูลคือในหลวงเนี่ยนอกจากท่านเจาะลึกทุกเรื่องท่านถึงประจักรทุกเรื่องนะประจักรแจ้งประจักรก็คือว่ารู้แจ้งนะพระ อ, องค์ก็ประยุกตเอาวิชาความรู้ต่างๆที่พระ อ, องค์ขยันไปศึกษาเนี่ยมาประยุกต์ชายเป็นทฤษฎีใหม่เห็นไหมทฤษฎีที่พระ อ, องค์ประยุกต์ขึ้นมานะแม้กระทั่งฝนหลวงเนี่ย พระองค์เป็นคนแรกของโลกนี้ที่สร้างผลหลวงเพื่อแก้ปัญหาฝนแรงเพราะพระองค์ใส่ใจนะอันนี้ก็เป็นพระราช ด, ดำรัส4ธันวาคม2540คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดเห็นไหม ถ้าผู้ประเทศมีความคิดพระองค์ในวงเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมันเป็นความคิดนะมีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่อยู่อย่างเป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณ าตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงนี่คือทางสายกลางแต่โลกใบนี้ตอนนี้พอเพียงไม่ปลาใหญ่กินปลาเล็กเท่าไหร่ก็ไม่พอไปเบียดเบียนประเทศอื่นเอาทรัพยากรม้งเข้าไปนะสองวันนี้กำลังพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมโลกเมืองไทยติดอันดับสามนะรู้สึก เพราะครูจะไม่ได้รัเสเซียอันดับหนึ่งแล้วก็อินเดียอันดับสองเมืองไทยอันดับสความเหลื่อมลำ้ำคน 1% ปอร์ในเมืองไทยเนี่ยคน 1% ของเมืองไทยเนี่ยเอาทรัพยากรในตัวเองเกือบ 70% คนอีก 99% เนี่ยมีเกือบ 30% เนี่ยเฉลี่ยคนหนน นี่คือมือยาวสาวได้สาวเอานี่คือระบบทุนนิยมซึ่งไม่เป็นธรรมนะก็พระราชดำรัส4ธันวาคม2541ข้าพเจ้าจึงขอให้ทุกคนรักษาความสามัคคีและจิตใจอันดีนี้ไว้เป็นนิดเพราะสิ่งนี้คือคุณลักษณะพิเศษ ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองของเราอยู่รอดปลอดภัยและช่วยให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาช้านานตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนี้ไว้ได้ก็มั่นใจได้ว่าชาติบ้านเมืองของเราจะดำลงมั่นคงอยู่ตราบนั้นอันนี้ก็สำคัญนะ30เอนธันวาคม2547แต่ตอนนี้บ้านเมืองเรา สามัคคีไหมกัดไม่ปล่อยโกรธแค้นแบบเครียดพยาบาทพวกครูเคยเตือนแล้วว่าคนๆนหนึ่งมันไม่ชั่วร้อยเอร์เซ็นหรอกมันก็ต้องมีส่วนดีของมันพูดออกมาปุ๊บเนี่ไม่ใช่เหมือนคนไม่ไม่ไม่ไม่แคกาไม่ไม่ใช่คนไทยด้วยกันแบ่งสีแบ่งพวกนะกลายเป็นพยาบาทอันตรายมาก พระ อ, องค์ก็เตือนเราแล้วเนี่ยถ้าเราขาดสามมคีแล้วเนี่ยบ้านเมืองอันตรายวันนั้นนายทหารมาพ่อคูก็บอกนะพ่อคูห่วงอะไรกังวลอะไรพ่อครูให้ลึกๆมามีห่วงบ้านเมืองนั่นแหละก็ยกตัวอย่างว่าสมัยผู้ใหญ่บ้านเมืองพลเอกคนหนึง่งกับพลตีคนหนึ่งเนี่ยขัดแย้งกันทางความคิดทางการเมืองนะในหลวงรับสั่งให้เข้าไปเฝ้า พคยู่อเมริกาบอกหยุดเถอะไม่มีใครได้ใครเสียบ้านเมืองเสียหายก็หยุดแล้วต่อไปในี่ใครจะทำหน้าที่ตรงนี้ไม่มีไม่มีแม้แต่หนึ่งคนที่มีบา ร, รมีพอไม่มีอภัยทานไม่มีเมตตาเนาะเอาเป็นเอาตายกันความสุขความเจริญนี่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง ของคนเราแต่ความสุขความเจริญนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงได้ก็ด้วยการที่ทุกคนตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลากล่าวคือไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติการใดก็ใช้สติปัญญาพิจารณาไตรตรองจนถวน้ถ ว, นถวนทุ่นทีให้เห็นกระจ่างถึงผลดีผลเสียทั้งใกล้ไกลทุกแง่ทุกมุมความรู้ความเข้าใจชัดถึง ผลดีผลเสียย่อมจะทําให้แต่ละคนเล็งเห็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องว่าสิ่งใดควรละเวน้นและสิ่งใดควรปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้จริงและยั่งยืนทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมพระองค์เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งจิตวิญญาณครูที่ยิ่งใหญ่นะเตือนลูกหลานตลอดเป็นช่วงๆวงพระราชดำดรัสสาสบธันวาคมอันนี้ ปีใหม่ไงนะอนยาะทุกวันปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ทุกวันเฉลิมถ้าเราคิด7จสิปีของพระองค์นะปีหนึ่งแค่วันปีใหม่แล้วก็วันเฉลิมเนี่ยสองครั้งเนี่ยร้อี่นะ 140. มีตะคุณธรรมทั้งนั้นถ้าทุกคนขยันไปอ่านดูเนี่ยนะเป็นการเตือนสติเราอย่างยิ่ง ความเมตตาปัถนาดีต่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะยังความพร้อมเพียงให้เกิดมีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็มีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ ใ, ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดำรงมั่นคงต่อไปโดยตลอดลอดฝั่งอย่างแน่นอนเห็นไมพูดทานองนี้เนี่ยถีขึ้น พอช่วงหลังนี่ขัดแย้งกันไม่มีเมตากันไม่ให้อภัยกันพวกกูเรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะกลายเป็นพยาบาทนะถ้าเราไม่รีบวางนะไม่อภัยนะตายแล้วเนี่ยข้ามกบข้ามชาติอนาคตกชาตินี่ก็มาแก้แค้นกันใหม่นะพระราชดำรัด๕ธันวาคม2555 จะคิดจะทำสิ่งใดให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมองานของตนและงานของชาติจะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงไม่ติดขัดและบรรลุถึงประโยชน์เป็นความสุขความเจริญและความสงบล่มเย็นดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนาเห็นไหมไทยๆเข้ามามีแต่เรื่องห่วงบ้านเมืองพะการขัดแย้งมันเกิดขึ้นในหลวงไม่เคยวางพระองค์เนี่ยเข้าข้างใครเลย พระองค์รักลูกทุกคนแต่ตอนนี้แบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีแข้งก็แค้งอยู่ตรงนั้นแหละเ ร, เราเราอภัยให้คนไทยไม่ได้เราจะให้ภัยประเทศอื่นใดไม่มีทางสีนี้ด่าสีนั้นพราะกูตามไปดูสีนั้นเป็นขมเรหรือเปล่าไม่เป็นคนไทยสีนี้ด่าสีนี้พรอ ก, กูตามไปดูเป็นพม่าหรือเปล่าเป็นคนไทยแล้วคุณรักประเทศไทยแบบไหนหยุดเถอะคนไทยนะ หยุดที่การให้อภัยทานอย่าไปสาวดีดในกอตีในขอมีพยานหลักฐานชัดขึ้นศาลสารตัดสินว่าในกอผิดิดตีในขอสรบปรกวกไม่ใช่ศาลยังไม่เคยเห็นสมัยที่ในขอตีในกอมันมีไม่มีจะ่หนึ่งอย่างเกิดขึ้นลอยลอยมันต้องแก้โดยอภัยทานสถานเดียวถ้าเราไม่หยุดเนี่ยมันจะข้ามภพข้ามชาติไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างเกิดขึ้น ล, ยลอย นะพเพราะครูชอบยกตัวอย่างตัวอย่างนี้ก็ต้องพูดพูดบ่อยๆให้ทุกคนเห็นสตีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายจักรัห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้อีกวันหนึ่งเวลาเดียวกันที่เดียวกันแต่คนละวันอีกท่านหนึ่งขับไปยางระเบิดชายจะกรชายชการห้าคนกุ๊บอื่นมาเจอแล้วไม่ช่วยฆ่าข่มขืนถามว่าอุบัติเหตุสองอย่างนี้ทาไมคนนี้รอดทาไมคนนี้ตาย แล้วว่าบังเอิญบังเอิญอ้ น, นี่มันโชคดีคนช่วยบังเอิญคนนี้เนี่ยโชคร้ายคนมาฆ่าไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญอุบัติเหตุคืออุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมา <c oughs> สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดฉะนั้นจึงหยุดซะคนที่มีแต่ความอาฆาตมาดร้ายกันโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันต่อไปไม่มีใครห้ามสึกแล้วนะ ความสุขความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งแต่ในวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นย่อมต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปกติธรรมดาทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการให้พร้อมลงท้ายด้วย อย่าประมาทคำนี้เคยได้ยินที่ไหนรู้ไหมวันที่พระพุทธองค์จะจากเราไปเนี่ยเป็นธรรมะ ส, สุดท้ายพระมกุฏอย่าประมาทวัตตะสงสารน่ากลัวมากพระราชดำรัสอันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่สามสุเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อห้าสิบแปดก็คือปีใหม่ปีนี้ เป็นพระราชบัตรสุดท้ายวันแรกที่พระ อ, องค์ขึ้นของราชพระ อ, องค์ตรัสว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแด่มหาชนชาวสยามพูดธเจเรื่องสุขแล้วพระ อ, องค์ก็ทําจริงๆและสุดท้ายบั้นปลายพระ อ, องค์เห็นแล้วว่าสุขก็ไม่ถาวรพระ อ, องค์จึงเตือนสติแล้วว่าความสุข ความเจริญ น, นี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งแต่ในวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปกติธรรมดาทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการให้พร้อมอย่าประมาทจบแล้วนะต่อไปเราจะไม่มีใครเตือนเราอีกนะก็ พอดีได้เวลาก็พ่อครูยกตัวอย่างสิ่งดีๆเรื่องนี้ว่างๆแทนที่จะไปดูหนังสืออะไรที่ไร้สาระนั่นไปอ่านสิ่งที่พระองค์แสดงเนี่ยไม่มีลาสมัยเหมือนคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยอีกกี่ล้านปีก็ไม่ลาสมัยมันเป็นศัตธรรมนะมันเป็นการแก้ปัญหาชีวิตเราอย่างเบ็ดเสร็จนะก็ วันนี้ก็ต้องเตรียมไปพักผ่อนกันนะจะได้พรุ่งนี้จะได้ทำหน้าที่ตั้งแต่เช้าสุดท้ายนี้<ม>ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วงกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทอร